เที่ยวกหลอนสารเจ้าหน้าห้องมึงอยากเจอกูเหรอสัมผัสสยองนักก่อแห่งหนึ่งขอไม่บอกชื่อเกอกผมและเพื่อนอีกสามคนได้จองรีสอร์ทสี่วันสามคืนที่เกาะแห่งนั้นพอพวกเรามาถึงที่ท่าเรือ ก่อนจะขึ้นเกาะไอเอกมันก็พูดขึมาว่าเมื่อคืนกูฝันว่าพวกเราจะกลับมาไม่ครบวะ่ะไอบีก็แทรกขึ้นเป็นเหียอะไรปากหมานะมึงอยู่เพอ้อเจอ้อให้มากแม่งจะออกเดินทางกันอยู่แล้วผมก็รีบห้ามพวกมันกลัวว่าจะทะเลาะ ก, กันสิก่อนพวกเราขึ้นเรือพอเรือออกไปได้สักยีสินาทีท้องฟ้าก็เริ่มมืดเมฆฝนเริ่มเข้ามาลอยผ่านเหนือหัวแล้วเม ก, ก็ลอยจากไป พอมาถึงเกาะพนักงานก็มาช่วยยกกระเป๋าขึ้นจอดเรือผมเข้าไปเช็คอินแล้วพนักงานก็พาเดินไปที่ห้องพักซึ่งผมนอนกับเอกส่วนบีนอนกับสันแต่ห้องของพวกเราติดกันพอมาถึงห้องก็อึ้งไปนิดหน่อยเพราะสภาพห้องค่อนข้างโทมแถมหน้าห้องก็ยังมีสารเก่าๆตั้งอยู่ผมพยายามจะไม่คิดอะไรหลังจากเก็บของอะไรในห้องเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อจะไปเล่นน้ำทะเลกันเล่นไปเล่นมาก็ใกล้จะ6กโมงเย็ยนแล้วพวกเราก็เลยขึ้นมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกินข้าวกันที่ล็อบบี้พอกินเสร็จก็เดินกลับห้องกันสันเป็นคนที่กลัวผีมากตอนเดินมาถึงหน้าห้องมันก็ทำท่าร้อนรนให้รีบไขห้องบีก็พูดขึ้นมาว่ามึงกลัวสารข้างหลังขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วไอ้อีกก็พูดต่อว่า คืนนี้เขามาหามึงแน่เพอตกดึกพกผมก็นอนเล่นกันกับเบกคาดว่าสันกับบีน่าจะนอนไปแล้วผมก็ปิดไฟห้องแล้วนอนหลับไม่นานก็ต้องตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากห้องของบีกับสันเมื่อผมมองดูนาฬิกาก็เป็นเวลาตีสามกว่ า, วาแล้วผมกำลังจะเดินไปหาพวกมันทั้งสองคน แต่ไม่ทันเดินไปถึงประตูห้องก็มีเสียงดังเฮ้ยรีบเปิดให้กูเร็วๆผมสะดุ้งตกใจแล้วก็ส่องดูตรงที่ช่องมองของประตูก็เห็นบีกับซันยืนทำหน้าซีดกระสับกระส่ายร้อนรนอยู่ตรงนั้นพอเปิดประตูให้พวกมันก็รีบวิ่งเข้ามาแล้วกระโดดขึ้นเตียงผมรีบล็อกห้องแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกมันก็แย่งกันพูดพูดไม่เป็นคำ ฟังดูไม่รู้เรื่องแต่ผมก็พอจะเดาออกได้ว่าพวกมันเจออะไรมาผมถามมันไปว่าเจอใช่ไหมแน่ใจนะแล้วทั้งสองก็ตอบพร้อมกันว่าใช่ผมก็บอกให้มันนอนห้องผมก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครนอนลงสักคนพวกเราก็เลยนั่งคุยกันผมบอกให้มันเล่าทุกอย่างให้ผมฟังไอ้บีมันก็เล่าว่า หลังจากที่แยกย้ายกันเข้าห้องไอสันมันก็เอาแต่กลัวไอบีก็เลยลำคาญมันแล้วก็ด่ามันไปว่าโตป่านนี้แล้วจะกลัวอะไรวะถ้าผีมันมีจริงมันคงมาหามึงแล้วนี่มึงกลัวไอสารเก่าๆนั่นเหรอไอปัญญาอ่อนพอพูดจบสันมันก็อึ้งแล้วมันก็ไปอาบน้ำหลังจากมาอาบน้ำเสร็จมันก็นอนกลุมโปงแต่ไอบีก็ไม่ได้สนใจอะไรปิดไฟนอน พอนอนไปได้สักพักหนึ่งเตียงมันก็สัน่นบีเลยลืมตา ม, มามองรอบๆห้องแล้วหันไปมองสัน่นก็เห็นในสั่นนอนคลุมโปองอยู่แต่ตัวมันสั่นๆก็เลยเขย่าตัวมันแต่มันก็ยังไม่หยุดสัน่นบีก็เลยดึงผ้าห่มมันออกแล้วสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นมันกลับไม่ใช่ไอ้สัน่นมันเป็นหน้าผู้ชายแก่ๆแล้วมันก็พูดว่าอยากเจอกูไม่ใช่หรอบีตกใจมาก กระโดดลงเตียงพอหันกลับไปมองอีกทีมันก็เป็นไอสันเหมือนเดิมบีก็เลยรีบปลุกมันพอมันตื่นมันก็ทำท่าตกใจว่าทำไมบีถึงไปยืนตรงห้องน้ำแต่ตอนนั้นบียืนอยู่ข้างๆเตียงของมันบีก็เลยเรียกมันบอกว่ากูอยู่นี่แล้วสันมันก็หันกลับมาที่บีแล้วร้องเสียงหลงตะโกนว่าเฮ้ย ใ, ใครยืนอยู่ข้างหลัง บีหันไปดูกระจกด้านหลังมันก็เป็นรอยฟ้าซึ่งมีลักษณะเป็นรูปหน้าคนอยู่บนกระจกบีกับสันก็เลยเพ่นหนีออกมาห้องผมซึ่งสันมันก็เล่าให้ฟังทีหลังว่าขณะที่พวกเรากลับมาจากการกินอาหารกันเมื่อหัวค่ามันเห็นความผิดปกติบางอย่างแต่มันก็พูดไม่ออกสันบอกว่าตอนนั้นขณะที่ผมกําลังจะไขประตูห้องมันก็เห็นลุงแก่ๆคนหนึ่ง เดินมาจากตรงสารนั้นและกำลังเดินมาหามันกับบีแล้วไอ้บีก็ดันปากเสียขึ้นมาอีกผมก็บอกกับทุกคนไปว่าจริงๆแล้วผมก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดตอนนั้นขณะที่กำลังขึ้นเรือผมก็เห็นมีลุงแก่ๆคนหนึ่งเดินเข้าไปในที่พักของเราผมก็เลยไปถามพนักงานว่าวันนี้มีแขกเข้าพักเยอะไหมพนักงานเขาก็บอกว่าไม่ค่อยเยอะ มีแค่พวกเรากับอีกสามครอบครัวเท่านั้นแล้วผมก็ถามต่อไปว่ามีคนแก่เข้ามาพักด้วยเหรอพนักงานก็ทำหน้างงๆแล้วบอกว่าไม่มีตอนนั้นผมก็งงเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนที่เล่นน้ำเสร็จกลับมาอาบน้ำกันก่อนจะเข้าห้องผมก็เห็นลุงแก่ๆคนนั้นยืนอยู่บริเวณสารแล้วจ้องมองมาที่ไอบีแต่ผม ก็พยายามไม่คิดอะไรจนในบีกับไอซันโดนหลอกนี่แหละเช้ามาผมก็ไปถามพนักงานว่ามันเคยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนแรกพนักงานก็ไม่ยอมบอกจนผมหงุดหงิดเริ่มขึ้นเสียงเขาจึงยอมบอกและเล่าว่าเมื่อก่อนเคยมีลุงคนหนึ่งเขามาพักกระสัยอยู่ที่นี่แล้วแกก็เกิดหัวใจวายใต้คาห้องพักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เวลามีแขกมาพักที่ห้องนั้นก็ไม่เคยมีใครอยู่ได้ต้องเห็นหนีแล้วเช็คเอาออกกันหมดจนเจ้าของโรงแรมตัดสินใจสร้างศาลให้จากนั้นความเฮี้ยนของลุงคนนั้นจึงลดลงหลังจากที่ลุงแกไม่มาหลอกใครแล้วก็ไม่มีใครไปเส้นไหว้ที่ศาลนั้นอีกเลยจนกระทั่งพวกผมเข้ามาพักอยู่พอผมรู้เรื่องทั้งหมด ผมกับเพื่อนก็ตัดสินใจเช็คเอาออกในตอนนั้นเลยไม่เสียดายเงินแล้วดีกว่าไปอยู่ห้องเดียวกันกับผีนั่นก่อนจะออกจากที่นี่ผมก็ขอทูบจากพนักงานเพื่อไปจุดขอขมาที่ศาลแล้วพวกเราก็ออกมาจากเกาะและไม่คิดที่จะไปเหยียบที่นั่นอีกเลย สมภัดสย <See you. S 1>